บุ๊กทูสี่สิบหกในดิส o อเทกที่นั่งนี้ว่างไหมครับผมนั่งกับคุณได้ไหมครับ เชิญครับคุณคิดว่าดนตรีเป็นอย่างไรครับเสียงดังไปนิดครับแต่วงดนตรีเล่นดีมากครับคุณมาที่นี่บ่อยไหมครับ ขอดีเจเซมช้าสตไม่บ่อยนี่เป็นครั้งแรกครับเน่เซมตัวเป็นี่ั้งแรกครับผมไม่เคยากเต้นี่ไหมครับนี่ก็จะไปครับ ผมเต้นไม่เก่งครับ n า u m i ีมั่งมัดจ e t a ่ c เต้วง่ายมากเลยครับตัวเยอเพลเนียเจ d โนดุผมจะแสดงให้คุณดู u k ก้ u จู m to ไม่เป็นไรวันอื่นดีกว่าครับ n น่อาชเนกไ i n d ินคุณรอใครอยู่หรือเปล่าครับ Čekáte na někoho? a n o na svého přítele. Tam hle, zrovna přichází.